ซีดีธรรมบัญญายจุดฟันทีรไรได้สุดทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์อบิอโตวัชยานเวสกวุนตัมบุญบาประทึกอำเภอสามพรานจังหวมมัดนครปฐมเรื่องที่5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สนใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่1นึ่งบัญญายโน้นที่สิกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิปดเรามภาพก็ขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาทำบุญได้มาเลี่ยงเพลนพระสงฆ์โดย การนัดหมายของคุณวิบุลนซึ่งกระตารบการที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอินเทอร์เน็ตได้ตั้งมาครบศวรด mm. ุก็คือสิบปีนี่ก็เป็นโอกาสอันเหมาะกิดชวนญาติิพย์ท่านที่เคารพนับถือมาทําบุญด้วยกันการทำบุญด้วยกันก็เราไม่ได้มองว่าที่การเลี้ยงพระก็ถือถวายทานนะที่ว่าทาบุญนั้นตามหลักศาสนาท่านบอกว่ามีทานมีศีลมีภ า, า, าวนานี้เป็นข้อสรุปหมายความว่านอกจากถวายทานการเลี้ยงพระการถวายท่านจะทําสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของศีลคือเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาด้วยและก็มีเรื่องขออองภาาาาาาววนกกกก็คืรรรทที่ฝบมมํจจจิิใและปัญญ้ดย ควินั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องเวลาเรามาถวายทานเนี่ยเราก็ได้ครบผลเพราะผู้ที่มาถวายทานเรียงคราเนี่ยเริ่มต้นก็เข้ามาสู่วัดวาอรามายวาจากขต้องสรวมกายวาจานั้นเป็นายวาจาที่ดีที่สงบที่เป็นกุศลเว้นจากสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนกันธรรมะที่นี้ไม่มีการเบียบดเบียนกันลมเื่อกล่กันไม่ช่ยเหลือรวมมือกันมาร่วกันส่งเสริมกันในการทำบุญทากุศลทำความดีแล้วยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวล า, ขาวเข้าพิธีก็ต้องนั่งสงบสำรวมกายวาจาและตานี้ก็เป็นเรื่องของ โน้มไปในทางของความสงบไปด้วยเราเขาที่สงบใจก็สงบแล้วมีความร่มรื่นของว่าเราจิตใจก็ดิ้งมีความเบิกบานผ่องใสสิแค่นี้ก็เรียกว่าเจริญใจทำให้เจริญใจก็คืออาการที่ว่าได้ภาวนาแล้วจิตใจจะริยงอกงามขึ้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามสภาพจิตที่เบิกบานสดชื่อเนี่ยเป็นกุศลเป็นภาวนาแล้วแล้วทีนี้พอได้ทำบุญทากุศลอีกก็รู้สึกว่ามีความอิ่มใจได้ทำสิ่งที่ดีได้สนับสนุนรวมร่ศาสนาเรื่องใจอิ่มใจยิ่งทำให้จิตใจจะเป็นงอกงามมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืืออกกกาาารรรรฟฟฟััังงงหเทศ ไดเข้าใจเรื่องทรรับซ้อนธรรมะรู้ความจริงของชีวิตรู้หลักประพฤติปฏิบัติความดีงามต่างๆปัญญาจะเลยงางงามขึ้นอีกอันนี้แหละรวมแล้วก็อยู่ในข้อภาวนาพอได้ทำอย่างนี้แล้วก็เลยครบสามครบสก็เป็นนั้นว่าทานสีนภาวนามาพังพร้อมเราก็ เ, ร, กเรียนวริยรยอย่างไ ร, ระะไรายทานอย่างเดียวก็ม่ครบแหละน่แม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการไปถวายทานแต่ว่าเวลาไปทจริงครบหมดทานก็มาสีก็มาภาวนาก็มาจะพูดเราไปถวายทานอย่างเดียวไม่ครบพราะฉะนั้นต้พูดาไปทำบุญ เน้นการที่เรามาวัดแล้วก็เราเรียกว่ามาทำบุญก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าเราได้หมดแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกด้วยจึงจะได้หมดและในครบที่เราพูดเต็มพระภูมิว่าเราไปทาบุญคือได้ทั้งฐานทั้งศีลและพรภาวนาพอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งสร้สรรใน้ชีวิตนี้เจริญอกงามมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติถูกต้องมาเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยชีวิตเจริญงกามมีความสุขด้วยเลยก็สมมตถประสงค์ที่คุณมิบุลตั้งไว้บอกว่าจะทำอย่างไรให้มีความ เวลาเรามาพบปกันมาเรพบในเรื่องดีๆในเรื่องทำบุญทำกุศลจิตใจอง เ, เรากดามเป็นมิตรนั่นทำให้จิต ใ, ใจดีอยู่แล้วมิตรนั้นก็มีเมตตาความเป็นมิตรก็คือเมตตาธรรมมาพบกันมีมตรีมีความสุขในาการที่ได้พบกันเาเรียกว่ามาตรีลดเกิดขึ้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกุศลดังนั้นที่น้วันนี้คุณิบูลก็อยากจะให้ญาติมิตรได้รับประโยชนจากการทบุญทำกุศลมากขึ้นอี ก, ก็เลยอยากจะให้ผูธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความสุข มีความสุขแล้ก็ร้ทุกข์นะครูพิบูลยาใบวันไม่เะให้มีความสุขนะยังให้ร้ทุกข์ด้วยนี่เราก็เลยเรามาคุยกันเรื่องความสุขร้ทุกข์ว่าจะทายังไงกันดีว่าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราปฏิบัตินะ้เราก็จะเรืงนอกนาวขึ้นในความสุขแล้ก็ร่างทุกข์ร้ยทุกข์ห่างทุกข์ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งมาหมดทุกข์เลยหมดทุกข์แล้วก็เลยได้ความสุขพอสุขสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นบรมสุขนะทางพานธนิกว่านิพพานังบรมสุขขังนิพพานเป พุธ า, ากวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขกันเยอะแยะหมดทรงตัดด้วยความสุขไว้หลายแห่งบางแห่งนี้ตัดแย่กันถึงรวมแล้วนับได้ประมาณสิประเภทเลยคือความสุขนี้มีหลายประเภทมากมายเรามักจะมองความสุขนในแค่สองอย่างเพราะนั้นถ้าจะให้ดีต้องมีการเรียนรู้ว่าความสุขนั้นมีได้มากมายหลายอย่างหลายช่องทาง้ถ้าว่าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็นึกว่าเออความสุขมีอย่างที่เราเคยเข้าใจเท่านั้นที่จริงความสุขมีวิธีมีช่องทางเยอะมีหลายแบบแล้วมีหลักการในการที่จะสร้างให้คืให้มีขึ้นด้หลายวิธีด้วย เราพูดเรงความทุกข์ซะก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าจุดหมายเราไปอยู่ี่สุขเราไเริมที่ทุกข์ก่อนความทุกข์นี่ที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะเพมามวัลในใจของเราคือความทุกข์นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติสภาพที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นปรากฏเนี่ยในโลกเนี่ยทั้งชีวิตของเราด้วยธรรมชาติเปสังขารสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมาปรุงมาแต่งมาประทุมกันขึ้นเลยเรียกในแนวสิ่งที่เกิดจากปัจจัยกุงแต่ง กตจะงัก็เป็นตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่คือกฎธรรมชาตินี้สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยถูกปัจจัยุงแต่งเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็ทาให้สิ่งเหล่านั้นพลอยเป็นไปด้วยต่ที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็คือมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้การอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงก็เลยมีสภาพที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปอันนี้หลักภาษาพระท่านก็มีสัพพายถึง ก็ยแปลงเราสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันปรากฏรูปขึ้นมาต่างๆซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราพบเห็นเราเรียกว่าอนุนั้นนี้เป็นตัวเป็นตนนั้นที่จริงตัวตนของมันแท้ๆมันไม่มีหรอกตัวตนนี้เป็นสภาพรวมเป็นภาพปรากฏจากเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของมันตนี้ถ้าเราจับได้เหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไอ้ตัวรูปร่างของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นตัวตนก็คือ เลยถ้าทาทดก็เลยเรียกว่าอันนีจังคือไม่เที่ยเกิดดับทุกขังคืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนยืนตัวแต่ว่าปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนี่คือหลักพระไตรลักนี่เวลาเราพูดถึงทุกเนี่ยทุกมันก็รวมอยู่ในหลักสาประการที่ว่าคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ว่านี่จังทุกคังอนัตตาทุกครั้งคือทุกทำมาทุกอยู่ตรงนี้เองอยู่ในกฎธรรมชาติและทุกคั้งนั่นแหละเป็นส่วที่ปรากฏสำคัญแก่มนุษย์นี่พอมันมีความไม่เที่ เมื่อเป็นธรรมชาติเป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงยดืดหยุ่นพัฒนาไม่ได้อันนี้ก็คือชีวิตของเรานี้ก็ตลายเป็นว่ามีไอ้ตัวอันจังทุพัลตาพเข้ามาอยู่ด้วยแหละ ตอนนี้แล้จะกธรรมชาติเมาถึงตัวคนแล้วแปลว่าเราต้องยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติบนชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่แบ่งจทุกทางนัตตาไอตัวเด่นสำรับความรู้สึกของมนุษย์ก็คือว่าอนนีจาทุกงนัตตาีออกมาในความรู้สึกก็ายปเรื่องุกไปเนี่ยคือว่ามันไม่คงที่มันตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้นก็เกิดเป็นปัญหาแกเรานั่นเองเป็นปัญหาเราทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเราไปสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายนั้นเรามีความปรารถนาและความปรารถนาที่จะให้มันเป็นไปตามใจ ก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไป <debating> ตามเหตุปนะัจจัยและความปรารถนาของเราในใจที่ว่าต้องการให้ไปทางนี้จะสิ่งโน้นไปทโน้นนะเราต้องการให้มันอยู่กันที่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันกเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพราเราเกิดไปยึดถือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเราครอบครองมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพอมันไม่เป็นมันไปไปตามเหตุปัจจัยมันฝืดความปรารถนาเราก็ถูกรร ก, ถกระทบกระแทกเกิดความขัดแย้งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ในกฎธรรมชาติก็เลยส่งผลมาเป็นทุกข์ในตัวเรานี้ใจ สองเพราะว่าเราไปมีความยึดถื อ, อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่ายๆจะให้เป็นแนวโน้มอย่าง น, น, างนี้แล้วไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของกธรรมชาติเขาเราไม่ได้ตามปรารถนาเกิดการตร ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะท่าะแหงขัดแย้งก็เลยทุกขึ้นมาถ้าเรารู้หลักความจริงอันนี้ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเริ่มเบาทุกสางทุกเรื่งทุกท้ายทุกแล้วก็สุขมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นให้รู้ความจริง ก, ก่อนว่าพุทธเจ้า ก, ก็เลยสอนว่าเรื่องของทุกนา ท่านจะต้องเข้าใจความินันเนี่ยอย่างน้อยเข้าใจหลักความจริงามธรรมชาติก่อนจะเป็ น, นีจเลีเ่ยงต้องถืนะแต่ก็เถื่อนหน้ า, า, นนาด้วยความรู้ด้วยปัญญาทุกข์ก็เลยมาเป็นอรียสัต์ขอ้อที่หนึ่งเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้พระพุทธเจ้กาก็สอนไม่เสร็จเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนะพระองคตรัสไว่าทุกขงังเปรนญญายังว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันว่าหมายความว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์ก็แค่ในปัญญาที่ไปรู้ท่าทันมันเท่านั้นเองห้ามเป็นทุ ทุกตัวทุกนี้หนึ่งละที่เราว่าไปเมื่อกี้มันก็มีเหตุของทุกไอ้ทุกที่ปรากฏขึ้นจากความยึดาปรารถนาของเราเหตุ้มาอยู่ที่ตัวที่สคือตัวความยึดความปรารถนาในสมบไทยแล้วนั้นก็จะดักทุกทำลายทุกหายทุกก็โดที่ว่ารู้เท่าทันความจริงทาให้ไม่มีตัวความยึดความอยากที่สร้างะแสขาขัดกรธรรมาติและปฏิบัติโดยวิธีการที่เท่าถึงความรู้ความจริงอันนี้ทีนี้ต้อเจ้าก็ตัดหน้าที่ต่อเรียนศัตท์ไว้เรกิจในเรียนศัพท์เนี่ยซึ่งเราจะต นั่นกิจนเรื่องสอดคัญเร่องสอดศรีมีทุกสมุทรไทยนี่รวบนัพระพุทธเจ้าจัดกิจหน้าที่สอศรีไว้เท่ากันหน้าที่ต่อเรื่ออข้อหนึ่งคือทุกได้แก่อะไรเราได้บอกว่าได้แก่ปริญยาท่านจึงบอกว่าทุกขันปริญยาอย่างทุกนั้นต้องปริญญาปริญยาก็แปลว่ารู้รอบรู้เท่าทันรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยดังนั้นว่าหน้าที่ต่อทุกพระพุทธเจ้าจัดไปชัดแล้วนะทุกเป็นเรื่องสำหรับปารินยารู้ไม่ใช่สำหรับให้เราเป็นทุกถ้าเราเป็นทุกเราเรา แล้ต่อไปกิจการเรียกรทอด ส, สาจุดหมายความหมดทุกดับทุกร้ทุกการนี้ท่านบอกว่าสาัิกิจิยาเราต้องจัดแจงคือเราจะต้องบรรลุถึงการนั้นคือจุดหมายของเราละคือความไม่มีทุกความร้ทุกอันี่เป็นตัวที่เราจะต้องระจัดแจงทำให้เกิดเป็นจริงทําให้เป็นของจริงขึ้นในตัวเราแล้วก็สุดท้ายก็มัดเนี่ยจะทำางให้เข้าถึงความไร้ทุกนี้หรือว่าได้ทําให้ความร้ทุกหมดทุกนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ต้องข้อที่4่ที่ลงมือปฏิบัติซึ่งมัดเป็นมีหน้าที่คือภาวนาในการลงมือทำ สี่ข้อนี้ชัดแต่วันนี้พ่อตาพูดเฉพาะข้อที่หนเนื้อข้อ2 3 4นี่ไม่ได้พูดโดยตรงพูดโดยอ้อมเพราะนั้นจะไม่ไปงลงรายละเอียดในวยึดศัตร์ละยกระดขึ้นมาเพราะต้องการชี้ถึงอำนาจทุกประพฤตธเจ้าตัดบอกหน้าที่ไปแล้วว่าทุกเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปารยืนหยัญญ รู้เท่ทนเนี่ยก็รู้อย่างที่ว่ามกี้รู้ความจริงน้นมันว่าอ๋อมันมาต้งกฎธรรมชาตินี่เองเราไปสัมพันธ์ตัวกฎธรรมชาติแล้วเราสัมพันธ์ไม่เป็นน่ยตั้งวางใจไม่ถูกต้องแล้วเกิดปัญหาขึ้นมานันตอนแรกก็เลยให้รู้ความจริงนี้เสก่อนรู้กฎธรรมชาติรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎธรรมชาติกับชีวิตของเราทมาที่ทำให้เกิดทุกข์ตอนนี้แหละเรียกว่าปริญญาแล้หน้าละหละห่หน้าติต่อทุกข์ทีต่อมาก็เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขพระพุทธ บางคนที่ชอบเอาทุบมาใส่ตัวนโดยท้ายเหตุตัวเองไม่ได้ทุกข์ก็อยู่สบายๆเนี่ยนเราเคยดอดายคนเนี่ยเอาเรื่องนั้นมากลุ้มใจหรือเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็คิดทาให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนมีความเครียดทั้งทชีวิตก็ดูไปเรื่อยๆน่เอาละคนตรงที่ึน่เอาทุทับสมตที่ไม่มีทุกข์องค์่ารสอนนั่่ไม่เอาทุบทับสมบูรที่ไม่มีทุกข์น่เดี๋ยวลองดูว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเปล่าทุบทับสมบูรหรือเปล่าสองท่านบอกว่าไม่ละทุกข์ไม่ สามแม้แต่สุขที่ชอบทำที่ดีนั้นก็ไม่รุ่มหลงหมกมุ่นมวเมานะเอาละนี่นี่ต้ระวังนะพระเจ้า ก, กันไม่เป็นคันๆ น, นะนี่พอเราไม่ท้าไม่ละที่สุขที่ชอบทำทีนี้พอเราสุขเราหลงใช่ติดหมกมุ่นเพลิ น, ลนแล้วก็เติดโทีนี้ก็มเมาออกมานะคนที่รุ่มหลงในภาวสุขคราวนี้ก็ละทิ้งิตนาถิการงานตกอยู่ในาประมาทมีอะไรที่จะต้องทำก็ไม่เร่งรับนะผัดเพี้ยนเวลาอย่างนี้ท่าเรียกว่ามเมาประมาทคนนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันนถึงแม้สุขที่ชอบทำก็ต้องไม่หลงหมกมุ่น เพียงปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่รอนนี้จริงขึ้นไปนี่ก็หมายความว่ายังมีสุขอื่นนะคุณยังมาติดยีเ่นสุขันนี้เดี๋ยวเราจะว่าอันีสุขนี้สำหรับเราดีแล้วมันชอบทำเราก็มีสิทธิ์สวยสุขเราก็เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวท่านบอกมีความสุขอื่นที่เราถึงอีกนั้นให้พัฒนาต่อไปพยายามเข้าถึงความสุขที่ตอนน้จริงขึ้นไปนั่นแหละจะกระทิบถึงสุขที่สมบูรณ์ที่พูดไปตอนแรกนั่นแหละจึงจะพอใช่ไหมนี่เรจะจำให้หลักแล้วปฏิบัติตามหลักสี่ข้อนี้เป็นทารุณสมบู คณนผู้ตรวจสอบศาสนาที่พูดนแง่ความสุขก็ได้เป็นเรื่องความสุขทั้งหมดเล ย, เยเอทีนะหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับผมตนที่ไม่เปทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทํา3แม้ในสุขที่ชอบทนั้นก็ไม่หลงไม่รุ่มหลงหมกมุ่นมเมาและก็4เพียรพยายามเข้าถึงความสุขที่ตนนี้จริงขึ้นไปะาส่ข้อ น, นี้อมาก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความสุขแหละ เ, เอาอันนี้เป็นมาตรฐานกันแนว นในพุทธศาสนานท่านแสดงเรื่องความสุขไปยอะแยะพุทธเจ้าตัดไว้ที่อาตมาพูดเดตน้นบอกว่าความสุขนั้นมีตั้งิเทนี้ก็มีองให้ฟ ง, งก็ตัดนสองย่าง 2, ง, ง่ายๆนะทีนี้วันนี้เราจะพูดสักเท่าไหร่ดีเนเพราะว่าพุทธเจ้าตัเรื่องความสุขไปเยอะเนี่ยนะคือในพุทธศาสนาเราเอาเรื่องทุกแต่เป็นเรื่องสห ร, รับรู้ันในมะป ร, ริญญาแต่เรื่องสุขเป็นเรื่องของชีวิตของเราที่เราจะปฏิบททัติให้เกิดมีเลยนะดังนั้นชาวพุทธปฏิบัติทุกจึงมีแต่ความสุขนี่เราต้องมาเติ่มว่ามีความพอ เราตรลงก็ลองดูก่อนกันล้วกันว่าจะพูดความสุขภาพประเภทนะไม่ต้องพูดถึงสประเภทถ้าสิประเภทนี้ยาวมากไปแล้วก็ อ, กอย่างหนึ่งก็คือว่าจะสักสนยังไม่ไหวนียเอาวความสุขแค่หประเภทนี้ก็พอปานกลางพอจาได้เริ่มความสูงประเภทที่1ก่อนความสุงประเภทที่1 น, นี่คนรู้จักกันมากโดยมากเวลาพูดถึงความสุขเนีคนทั่วไปจะมองเห็นได้ในประเภทที่1นึ่งบางคนมองไม่เคยเลยประเภทที่หเลยนะประเภทที่1นี่คืออะไรประเภทที่1ก็คือความสุงที่เป็นด้านสิ่งเศษสิ่งบริโภคเป็นวัตถุึ่งเกี่ยวข้องกาหูมเป็นว ตาหูจมูกลิ้นาของเรานี่จะต้องการวัตถุมาเสพบริโภตาก็อยากเห็นสิ่งสวยงามอยากดูทีวีอยากอะไรดูวิดีโอ่้แหละดูสิ่งสวยงามๆถูก็อยากจะฟังเสียงไพเราะดนตรีอะไรต่างๆนะแล้วก็จมูกก็ดมกลิ่นที่หอมลิ้นที่ลิ้มรสอาหารอร่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะลิ้นนี่นะแล้วเล่นตาสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลฟูฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เราก็จะอยู่ความสุขที่มาตาตาหูจมูกลิ้นตายสิ่งที่มาเสพบำรุงบำรุงบำรยงตาหูจมูกลิ้นกายเขเี่กวัตถรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอัน อามิทก็มาจากคำวาสุขสามิสามิรแปลว่าอาศาัยอมิทนั่นเองหรือความสุขที่อิออ่อามิทประกอบด้วยอมิทอมิทนี่นก็คือวัตถุนั่นเองวัตถุที่เสมบริโภเรว่าอมิทหรือาทีถ้เรียกว่ากาสุขใช้แทนได้การสุขก็สิ่งที่ชอบใจคําว่ากามในทางคได้มีความหมายกว้ า, วางหมายถึงสิ่งที่มาบำรุงราหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการมทางสิ้นก็เป็นอมิทนั่นเองเพราะนั้นความสุขของคนทั่วไปก็จะอยู่ที่ประเภทที่นึ่งนี่นี่ประเภทแรกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่ เราจะต้องรู้เท่าทันคือคนที่จะมีชีวิตอยู่ดีที่สุดนี่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขถูกถูกต้องอย่าให้มันทําพิดให้กับตัวเองถ้าหากว่ามันมีโทษเราก็จะรู้ทันมันส่วนที่ดีเป็นคุณก็รู้ทันส่วนที่เป็นโทษก็รู้ทันรู้ทันแล้วมันจะมีโทษต่อเราน้อยนั้นก็ต้องถามต่อไปควาสุขประเภทนี้ไม่ต้องบรรยายว่ามีความสุขอย่างไรแต่ว่าต้องดูว่าเออแล้วมันมีโทษมันมีปัญหามีข้อเสียไหมถ้าว่าเราไม่รู้ทันมันถ้าเกิดมันมีข หาความสุขในสิเหลนี้เราก็ต้องรู้ท่าทันเดียวกันว่าแล้วก็ปฏิบัติตามมันให้ดีที่สุดให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษจากมันน้อยที่สุดเท่างไงก็ต้องลองมาดูว่าคาสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมีคุณอย่างเดียวแล้วไปมันจะพูดต่อแต่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวหรือมีโทษด้วยถ้ามีโทษด้วยเราต้องรู้ถ้ามีโทษแล้วเราก็จะต้องแก้ไขทําให้มันมีโทษน้อยหรือไม่ให้มันมีในส่วนดีเป็ น, นเราบอกแล้วไม่ต้องพูดนะการมาสุขหรือสามสุขมีส่วนดีอย่างไรทีนี้ส่วนเสียส่วนีย่ะ เขาได้บอกมีนะส่วนเสยียเป็นยังไงบ้างส่วนเสยียของสามิสุขที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งภายนอกสิ่งเสีบริภคเนี่ยอาลลองมาดูกันนะโอ้เรื่องนี้ยาวถ้าพูดเรื่องนี้อย่างเดียวก็หมดเลยเวลาใช่นี่เราก็ถกงก็พูดย่ยอๆว่าสามิ ส, สุขการมสุขมีโทษอย่างไรบ้างมีโทษท่ก็อ้าหนึ่งต่อชีวิตของเราสองต่อสังคมต่อผนุษย์นะ ม, มองหลายด้านนี่มองได้ตัวเองก่อนมองได้ชีวิตของเราที่มันมีโทษไหมเนาะมีโทษอย่างไรบ้างเออคนที่หาความสุขประเภทนี้นี่เอาง่ายๆอย่างหนึ่ พอขึ้นต่สิ่งเสพภายนอกก็เลยไม่เป็นอิสระสิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ระวังตัวให้ดีนะเราจะมีลักษณะชีวิตที่ว่ามีความพึ่งพามาชีวิตและความสุขต้องคอยขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักพัฒนาชีวิตของตนเองก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขคนเนี้ยนะพอได้วัตถุสิ่งเสพมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งเสพเราเนี้ยมันจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีมากขึ้นเพื่อจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมแต่ก่อนนีีีีีีี้้้้้้เเเเคคคยยยยมมมมมมมมมทท่่่่่าาาาาาาานนนนก็วววววสสสสสสุุุุขแแลลงงงฝัอถไดดดดิจะ สม ม, ja. ส ม, ม them, ติ them, ว่าเอาเคยพูดเป็นบ่อยช่นว่าคนนึงเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินยากจนนะก็เลยคิดว่าแม้ถ้าเรามีเงินเดือนสมมติว่า5ัน่อยาเาเป็นสุดยอดปรารถนามีความสุขเต็มที่สมมติว่าอย่างนมนก็้กันยุคนี้เงินมันมีค่าน้อยนะตว่าคนนึงเนี่ยแต่ก่อนนี้ยากจนมากก็เลยตั้งความฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นเนีเราพอเราสบายมีความสุขสุดยอดเลยนี้ต่อมาเขาก็พยายามสู้เน็ตเลยแล้วก็ทำงานทำการจิกับทางได้เง like ินเดือนหนึ gelatin, ่งมั่วจริงๆนะตอนที่ได้พังได้ เราจนห้าหมื่นต่อไปก็เกิดได้หหมื่นต่อมาได้หมนแล้วก็เออสุแต่ตอนที่ไม่สุเท่าตอนไดหมื่นไดตันะเชื่อหมตอนได้มเนี่ยพไดหมื่นแรกนมันความปรารถนาไม่ตั้งควาสูงรนั้นพอความปรารถนาสําเ็นกระสุขมากในตอนห้หมืนี้มันตั้งความปรารถนาไม่สุขนะได้ก็มีความสุขพอสมควรก็ต่อมาพอไดห้าหม่นแล้วก็ปราถนาต่อไปให้ไดแสนเดี๋ยวต่อมาพอไดแสนก็สุพอสมควรอย่างที่ว่าจะไม่ไดเท่าตอนไดหมื่นตอนแรกเลยอะเอาลทีนี้มองย้อนกลับตอนที่ไดเงินเด ตอนนี้ไอ้มือเนี่กลายเป็นทุกข์ไปเลยใช่มเน่มือนึงที่เคยทาให้แสนสุขเนี่ยกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วนี่อันนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ว่าไม่ความสุขสิ่งที่จะมาสนองความต้องการนั้นที่เป็นวัตถุเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีเพื่อจะดึงให้ความสุขเนี่ยดำรงตัวอยู่เท่าเดิมเพะนั้นโดยวิธีนี้มนุษย์ก็ยิ่งต้องแสวงหามากขึ้นใช่ความสุขก็ยิ่งขึ้นต่วัตถุมากขึ้นก็เลยท้องแต่ละตัวไม่รู้อาการที่ต้องหาให้ได้มากขึ้น เ พ, พราะนั้นอันนี้แค่อันที่หนึ่งนี่ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่ออะไรคือเราจะมองด้านเดียวถ้ามองด้านเดียวว่าความสุขคือการหาสิ่งเสพให้ได้มากที่สุดนะแล้วเราจะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมีความสามารถหาสิ่งเสรบําเความแต่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะคนเรามักจะไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันหนึ่งที่เราลืมไปก็คือความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งทุกคนมีอยู่เดิมในชีวิตเป็นสักยภาพถ้าเรารักษามันไว้เนี่ยเรามีวัตถุเท่าไรเราก็มีแต่ความสุข คนที่พัฒนาสด้านนี้จะมีลักษณะต่างกับคนที่พัฒนาด้านเดียวคนที่พัฒนาด้านเด female, นียวคือว่าพัฒนาในความสามารถหาสิ่งเสริมเหลือความสุขเก่งในการหาสิ่งบ่มเหือความสุขจริงแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าอยู่ไปนานเท่าในโลกนี้เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นเราสำรวจมนุษย์ในโลกปัจจุบันจะมีลักษณะอย่างนี้เยอะนะอยู่ไปในโลกแล้วเป็นคนที่ส <cave poisoned. S 1> ุขยากขึ้นก็คือต้องมีสิ่งเสริมมากขึ้นมาขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมทีถ้าเขาพัฒนาถูกต้องเขาก็จะรักษาความสามารถที่จะมีความสุขย่่ลาาเงค ถ้าเราพัฒนาชีวิตถูกต้องเราก็ไปความสุขง่ายขึ้นเราจิงจะเชื่อว่าเก่งจริงเพาะันเปเก่งในไมันก็ไม่เก่งกัใช่หเก่งแตหาสิ่งเสพิมไปลความสุขแต่ไม่มีความเก่งที่จะมีความสุขเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเราจะต้องพัฒนาบทคิความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทางผู้ทีสอนศาท่านจึงเนอย่างพร้อมกับการที่เราเิรนศึกษาพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาบรรลุความสุขเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยพอพัฒนาสด้านนี้เท่านี้เราสุขทวี เราหาสิ่งเจ็บอความสุขได้กเก่งเท่าไรมันก็ได้สุขเท่าเดิมนั่นแหละเพราะว่าไอ้ข้างนอกมันบวกหแต่ข้างในมันลบหนึ่งใช่ไหมข้างในลบหข้างนอกบวกหนก็ศนย์เลยไปนั่นบางคนเนี่ยดูในโลกไเนี่ยเป็นคนสุขได้ยากคือทุกทีเราหาวัตถุเท่าไรก็ไม่สุขเต็มที่ทุกทีจนกระทั่งในที่สุดแม้มีรถไฟมีท่านความบริบูรณ์ก็เป็นคนไมมีความสุขจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะอยู่ัในโลกเนี่ยเป็นคนที่หมดความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ตัวร้ายมากเมื่อหมดความสามารถที่จะมีความส เพราะนั้นถ้าเรารู้หลักนนี้เราปฏิบัติให้ถูกปั๊บเราก็ได้สุขจริงอยากว่าถูกเสร็จเนี่ยต่อไปดูต่อไปเพราะมันยังมีโทษอะไรอีกโทษจากความสุขประเภทนี้ก็นอกจากว่าต้องเพิ่มปริมาณละดีปีก็คือว่าไม่ได้ขอที่ชินชาได้พอเรามีความพุ่นอระมาตอนแรกเราหวังจะมันนะว่าได้สิ่งนี้แล้วเหมือนจะแสนสุขเรียว่าไข่ฝันนัพอได้ก็สุขจริงแต่พอชินชาไปหาสุขตอนนี้กลายเป็นบางทีเบื่อเพราะเบื่อแล้วเกิดความจำเป็นต้องอยู่ด้วยไปไม่ได้เท่ า, านี้ทุกเลยนะทุกเพราะต้องทำทนอยู่แล้วทีนี้อันนี้ก็ ทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เราปรารถนาเหล่านั้นอาวิทั้งหลายมันล้วนแต่ตกู่กฎธรรมาชาติหรความไม่เท่ยแปรปรวนไปมันก็ต้องมีการแจกมีการพับทับได้อันนี้คนก็จะมีความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้แม้ไม่เกิดขึ้นจริงนะนางการแตกหักสลายสูญเสียยังไม่เกิดแต่มีความหวาดหวั่นใะช่หวาดหวั่นฟันกลัวต่อความสูญเสียพับทับเหล่านั้นนี่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากอามิจากสิ่งเสภายนอกนี้มีจุดอ่อนหลายอย่างอันนี้อาทารย์ตว่ากง เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเข้าใจอย่างเดียวกันว่าจะต้องเสพวัตถุหามาให้ได้มากที่สุดแล้วตัวเองจะมีความสุขมากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันว่าฉันต้องมีมากที่สุดจึงจะสุดที่สุดนั้นฉันก็หาให้มากที่สุดเมื่อตางคนต่างหาให้มากที่สุดไม่ต้องเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งแต่ละกันใครมีกำลังมากมีโอกาสมากมีความสามารถมากก็หาได้มากคนที่มีกำลังน้อยโอกาสน้อยความสามารถน้อยก็หาได้น้อยก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบคมเหงซึ่งแต่ละการเบียดเบียนกันก็เกิดความผู้ในสังคมเรทีนี้จุดนี้แหละเป็นจ อาวิสุขมีปัญหาอะไรงต่อสังคมมนุษย์เพราะทั้มนุษย์ที่มีความหยดร้อรนระดับหนึ่งก็มาจากเรื่องการยดเบนแย่งชิงสิเรอาริบริภโภคและปัญหานี้ก็เลยไปถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยเมื่อจะเศษบริภโภคให้มากความสุขขึ้นต่อสิเสเ่เสรีเขาเรียกว่าเสรมากที่สุดสุขมากที่สุดก็ต้องเอาเรื่ธรรมชาติมากที่สุดถ้าขยะตัธรรมชาติก็ถูกทำลายดังนั้นปัญหาธรรมชาติแย่ร้อนก็เกิดขึ้นมาอีกดังนั้นตกลงว่าความสุขประเภทที่หนึ่งนี่ล้า าพาสุขภูเทียนหนึ่งนี้คุณจะมีคุณต้องระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องแะให้มีโทษที่น้อยที่สุดนะแต่อย่างน้อยเราต้องรับความจริงว่าถึงยังไงมันพ้นความทุกข์จาดมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัญขาญเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงอยู่ใต้กฎธรรมชาติต้องมีการแตกผัดสลายแปรปรวนสูญเสียพลากใช่ น, นั้นมันขึ้นต่อธรรมชาติขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเราในวาสุขเทีี่ใช่หมห่งมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในตัวเราต้องหา มันไม่ใช่เป็นสุัติของเรามันเป็นของภายนอกมันข้นต่กฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเราเพราะฉะนั้นคุณจะเอาความสุขสมบูรณ์จากความสุขรเภทที่ึเป็นไปไม่ได้ขอให้ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงแล้วคุณจะปฏิบัติตอมันด้วยความรู้เท่าทานันแลวจะอยู่ได้อย่างดีที่สุดทุน้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมดทุกต่อโอ้โฮที่เจ้าเนี่ให้รู้เท่าทนอย่างนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอา้าวในแง่ชีวิตของเรานะเราเปความรู้เท่าทานันปฏิบัติต่อมันให้ดีนะถ้มีทุกน้อยเราได้ความสุขอย หลักปฏิบัติขอ้อนี้วางเป็นกรอบไว้ในสังคมเยวคุณหาไปก็หนึ่งอย่าไปเบียดเบียนทร้ายชีวิตต า, ตายผู้อื่นคุณจะทาไปหาไปก็อย่าให้รวมระมือกรรมศีลของผู้อื่นนะคุณหาไปอย่าระมผูกคองคนอื่นคุณหาไปอย่าไปทำลายหลอกลวงเขานะคุณหาไปก็อย่าไปทำลายสติสัมปัญญะแล้ก็ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยกัผู้อื่นด้วยการที่มาเสพยาสติดสี่้าก็เลยเป็นหลักในทางสังคมเป็นกรอบสาหรับการไว้ว่าในการหาวัตถุเสพนั้นขอให้มีขีดขั้นขอบเขตไว้แค่นี้ก็พออยู่คนได้ ทั้งหมดท oh ั assumed, ้งหข้อนี้มีความมุ่งหมายทางการรักษาสังคมให้มนุษย์อยู่กันได้แม้แต่ข้อที่หเนี่ยเราอาจจะไปนนง่ายว่าเวลารับประทานเศพสุรายาเมาสิสติแล้วทาสติสัปัญญแต่ว่าความมุ่งหมายในสท่านอยู่ที่ทาสังคมคนที่เสพยาติดเกิดความบุญเมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผู้อื่นเขาไม่สามารถไวางใได้เนเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเป็นผู้คุคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่มเราเห็นคนเมามาปั๊บนี่ใจไม่ดีเลยเจ เมาคนับเมานี่รถครันอื่นไม่สบายใจใช่มยิรถที่จะสวนด้วยนี่แหม่ไม่สบายใจเลยหรือว่ารถคันโน้นิลอ้อกินยามามืนีใครสบายใจมงใช่นี่คนที่เสเียดายเสียติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมันของปลอดภัยของสังคมฉะนั้นจึงเป็นศีลห้าอยู่ในระบบของสังคมนี่เอาแล้วเรยพรก็เปลงว่าในแง่สังคมแล้วจะหาความสุขทว่าถูกหาทแต่ขออย่างเดียวว่าอย่างน้อยให้ราากรอบขอบเขตไว้หข้อนี้แล้วคุณจะอยู่กันได้พอจะหาความสุขแต่ว่าถูกไปได้นี่ต่อมาท่านก็สอนวิธีปฏ ได้มียกาโิมตานุตตานีอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาให้มีอรีย์ตังนอนรู <ics> ้จ <Means S 1> no, <którym> ักควบคุมอินทรียรู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นไม่ให้รูมหลงมัวมาการตาเสพทางตาหูจมูกลิ้นตายมากเกินไปอะไรตาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทให้เราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปแต่ตอนนี้ตรมาจะไม่ลงรายละเอียด้ในข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาเป็นเพียงว่าแค่นี้ก็ดีผมไปแล้วเราจะหาความสุขกันได้แลวก็ปฏิบัติอความสุขได้ดีขึ้ ถ้าให้ดีนี่เราต้องรักษาควาสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้ด้วยแล้วชีวิตของเราในความสุขของเราจะไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปจนทุ่สูญเสียอิสรภาพคือคนปัจจุบันนี้เราไปคิดเาเก่งเก่งหาสิ่งเสพแต่เราลืมไปว่าในความเก่งนั้นคือความหมดอิสรภาพนะเราว่าเออเราหาอะไรมาได้มากมายแต่แล้วความสุขของเราไม่อยู่ในตัวเรา้งแต่วถไปหมดก็คือเราไม่มีสภาพนั่นเองากจรงนั้อทุลทุลกตรงไรอยู่ไม่ได้นี่ตรจับสไว้ให้เรานีรักษาควาสามารถที่จะ ควาสามารถที่จะมีความสุขไว้และหรือพูดอีกสองนัวหนึ่งว่ารักษาอิสรภาพในทางความสุขไว้เมื่อกี้นี้เรามีสี่5้ี่หนี้บอกเล้ว่าเพียงว่าเพื่อให้สังคมมีกลอกแต่ผมองกาความสุขไปแต่ว่าจะพออยู่กันได้ไม่มาเกี่กความเดือดร้อนแต่ละทุกคนก็เลยแยกไปด้วยกันอันนี้สี่หเป็นเรื่องทางสังคมต่อมาก็จะมาเข้ามาที่ชีวิตบุคคลมากขึ้นว่าจะมาเสริมทรัพยภาพในการมีความสุขหรือรักษาความสามารถที <CR COR> ่จะมีความสุขและอิสรภาพในทางความสุขไว้พระเจ้าก็เพิ่มสี่5บวกสเป็นแนดสี่แปดน หลักดิบัตเพื่อจะรักษาความสามารถในการมีความสุขและการที่ไม่สูญเสียสภาพไปได้ยังไงสินให้เป็นเรื่องเกี่ยวสัม่งที่ว่าแหละแต่สินแปเพิ่มคข้ามอีกสข้อเป็นเรื่องส่วนบุคคลหมดให้ดูอะสินข้อที่หว่าเว้นจากการรับประทานอาหารเวลาวิการเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไมไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเว้นจากการทอดลําขับร้องประพงนดนตรีดูการเล่นพัดทรงแต่งตัวระดับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวเว้นจากที่นอนสูงใหญ่รู้ราคาฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่เขาสามสิ่งในการมีบัตร วัตถุที่พ ม, ม่าตาตาคุณจะหมูลิ้นต้องกินต้องอะไรอยากกินเมื่อไรอร่อยลิ้นเมื่อไร่ก็กินเมื่อนั้นภาพสุขรไปเป็นมามขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นไปหมดีทเจียกับแบคุณอยา ก, ก, ยากสตินะฝึกคลงเอาละเจ็วันทีนึง8ปวันเอาทีนึงนะเพื่อรักษาอิสรภาพนี้ไว้ก็คือซือสินแาเรียกว่าอุโบสถไม่เอา่ากวันเท่านั้นนะป็นเดือนนึงก็แค่สครั้งถ้าใครมีศรัทธามากขึ้นจะบอกว่าเอาวันโอนด้วยก็แปลว่าเดือนละแดครั้งเดือนละแครั้งนีเตือนส พอให้มีคุณภาพชีวิตโดยไม่เป็นการบำรุงรินตัวเองได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอยากว่าประทินวันทีหนึ่งอา้าวลองดูซิวันนี้นะไม่ต้องบำรุงรินไม่ต้องตามใจรินกินแค่เท่าที่จำเป็นว่าแค่เที่ยงพอไหมอพอให้ชีวิตอยู่มีสุขภาพดีได้เลเ อ, า อ, งลง อ, อเ้าวตกลงแนั้นแล้วต่อไปไม่ตามใจรินลเอาเวลาไปให้ไป ด, อ ด, อ ด, อดูอื่นทำอื่นเราจะดูดีมีสุขได้ไหมโดยไม่ต้องบำรุงินไม่ต้องตามใจรินอยู่ดีได้ไหมมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องไปติดตามดูสิ่งบันเทิงโดยไม่ต้องนอนบนฟูกฟูแดวันทีนอนบนเสื่อบน เราเกิดมาเราไม่ได้มีมนันนี่เราลองอยู่ง่ายๆสไม่ต้องมีที่นอนฟูกอะนอนผู้นอนาเราจะมีความสุขได้ไหมพ่อเจ้าบอกแปกวันเอาทีนี่ถ้าเราทได้อย่างนี้เราก็จะรักษาอิสรภาพไปได้คือความสุขของเราเนี่ยจะไม่ต้องขึ้นตัววัตถุสิ่งเสพมากเกินไปเราจะอยู่ดีได้ไ ด, ด้วยวัตถุแม้เพียงน้อยเท่าที่จเป็นต่อชีวิตจริงๆตอนนี้เราจะสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ดีขึ้นวัตถุสิ่งเสพเรานั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้บางคนพูดไม่ได้นะต้องมีจึงอยู่ได้ไม่มีละตายคือถ้าไม่มีละทุกข์ทุ เขาได้สูญเสียอิสรภาพมนการที่จะมีความสุขด้วยตนเองความสุขของเขาได้ขึ้นต่อวัตถุโดยสมบูรณ์สิ้นถึงแล้วใช่ไหมบอกว่าต้องมีอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วฉันตายฉันจะรนทุลายอยู่ไม่ได้ถ้คนอย่างนี้ลำบากต่อไปเนี่ยเพราะว่าชีวิตคนนี้ต้องอยู่ได้ตัวเองในหลายสถานการณ์เช่นยาเจ็บไข้ได้ป่วยเิเานี้ไม่ได้ยาแก้ท่าทลร่างกายอินีแข็งแรงไม่พอเสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วทาไหก็รนทุลายเพราะว่าสภาพไม่มีใช่ มีก็ดีไม่มีก็ได้อ้าวอยากนทุกท่านลองพูดปตัวเองะพูดได้ไหนะถ้าพูดได้แสดงว่ายังมียภาพอีกือเานะมีก็ดีไม่มีก็ได้นี่ถ้าตัวเองไปมาบางทีบางครั้งเราจะพูดไปขั้นหนึ่งบอกวะ่า มีก็ได้ไม่มีก็ดีว่าไนะหรายาว่าางอย่างนี้วังเ ก, กกะ่ยรบหลุมรังแมเราไม่มีเราก็สบายดีต่ อ, อิสระนะเราคนพออยู่ได้ดีขึ้นในชีวิตที่มีความสุขเป็นอิสรภาพแล้วมีความรู้สึกเป็นอิสระผ่องตัวจะไปไหนมาไหนอะไรมันปรับรนะคนที่ติดในวัตถุความสุขขึ้นต่วัตถุหมดอิสรภาพนี้มันไปไหนลำบากอนะ่ะไม่มีสภาพไปค่อมตัวดันั้นพระพุทธเจ้าให้สีแปดมาสาหรับอย่างน้อยมาตัวเราไว้รักษาอิสระภาพไว้อย่าให้สูญเสียมันไปแค่นี้ก็ดีแล้วนะเอาแล้วนั้นไปพอดีแหละนี่พระพุทธ แต่เรื่อตามประสบเพศจะพอสักทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดยังไม่ไปไหนเ ใ, ในขั้นที่หนึ่งเรว่ญญาเรื่องความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขการสยวัตถุเสพหรือว า, า, ามีสุขหตามมาสูสารรสเนี่ยเมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติมมันให้ได้ประโยชน์ามันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดทั้งชีวิตตัวทั้งสมมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปอ้าวที่นี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุ ถ้าพอต่อไปเลยก็ถือว่าลึกเข้าไปในทาง จ, จิตใจมันก็มีทุนที่จะมาสร้างความสุขให้มากขึ้นแต่ก่อนนี้ความสุขของเราอยู่กับวัตถุภายนอกสิ่งเสเราก็ต้องหามาเสพการหามาเสพคือต้องเอาเพราเอาก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะนึกถึงการได้ตลอดเวลาคนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราจอาวัตถุมากเราจะนึกยกบได้จะเอามาจะได้จะเอาบางคนนี่หายใจอามามีแต่งไเองาเ่ไไงจะได้มาทำไงจะเอามาได้เนี่ยเพราะการได้คือความสุขการได้คือเป็นทางสาคัญเป็นแหล่งเดียวของความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องได ทีนีพะทเจ้าก็เริ่มนเลยว่าเออคุณอยู่ในโลกคุณสัมพันธ์ัวัตถุนะคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าเอาแต่ได้อย่างเดียวนี่มันเกิดปัญหาทั้งแชีวิตคุณและแก่สังค ม, มสิ่งแวดลอ้อมแน่นอนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนี่ทงไงในะการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ัวัตถุชีวิตจะต้องมีดุลยภาพโดยกธรรมชาติแล้วต้องมีดุลยภาพสิ่งทั้งหลายนี่เอาจากสิ่งอื่น้องให้สิ่งอื่นด้วยอย่างต้นไม้ใช่หมมันเอาเอ่อเอ า, เ อ, าอาหารเอาอากาศเอานา้จากสิ นี่เป็นสายสื่อาวกั น, นมนุษย์เรานี่เราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพท่านก็เลยสอนหลักปฏิบัติท่านที่1มาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนข้อที่หนึ่งเริ่มแรกคืออะไรคือทานใช่เพราะฉะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้าแขอแรก พ, ก พ, กพกระพุทธเจ้าตาไปตามธรรมชาติมนุษย์ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุจะได้จะเอารก็เลยบอกให้ให้บางเนีนันก็เลยมีคู่กับการได้การเอาก็มีการให้ด้วยบอกว่าคุณให้มีการให้ด้วยนะถ้าก็เน้นเรื่องทานใช่ไหมทานศีลภาวนาทานก ให้คุณได้แล้วชีวิตจสมดุลสังคมก็จะมีดุลยภาพแต่ว่าการที่คุณให้เนี่ยนะมันเป็นวิธีพัฒนาตัวคุณด้วยนำไปสู่ความสุขที่ตนี้เป็นไปที่นี่มาดูว่าจะสุขอย่างไรถ้าให้เป็นแล้วจะได้ความสุขประเภทที่สองแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติต้องการด้วยถ้าเราปฏิบัติพินแล้วเราบุญบวชเองงนั้นเราปฏิบัติถูกแล้วเราได้ผลดีแมแต่ความสุขต้องดูว่าการให้นี่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็อขอให้ดูง่ายๆกลับไปย้อนพูดถึงการเอาก่อนการได้นะเนี่ยเวลาเราจะเอาเราจะได้เนี่ยเรามองไป่ัตุชม เระอาวัตถุเราจะเอาสิ่งเศษเรามองไปที่สิ่งที่เราจะเอาพอเรามองไปที่วัตถุที่เราจะเอานี่นะโดยสัเทตานความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะเพนมนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมของเราพอเราคิดถึงวัตถุว่าเราจะเอาอันนี้ปั๊บเนี่ยความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นมาว่าอย่างไรเอ๊ะเพื่อนมนุษย์เขาจะเหมือนกันนีใช่หมเราก็จะให้มากที่สุดเขาจะเอาให้มากที่สุดพอเราจะเอาสิ่งนี้เขาก็จะเอามือกันเราก็ระแวงใช่ไหมคนที่คิดจะเอา การมองเป็นคู่แข่งก็คือการมองเป็นปฏิบัติใช่ไหม <S <S นะเป็นปฏิปักษ์ดังนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจมุ่งแต่ได้แต่เอาเนี่ยจะสร้างโลกให้เป็นโลกของผาเป็นศัตรูาเบียดเบียนแน่นอนเพราะจิตใจไม่ดีต่อกันไม่สามารถสร้างความเป็นมตได้เพราะเรามุ่ง จ, จะเอานี่นก็ต้องแข่งกันเอานั่นโดยความรู้สึกพื้นฐานก็เกิดความระแวงความรู้สึกเปคู่แข่งเป็นปฏิบัติและพอต่อไปหาเก่งเท่านะหาเก่งเขามองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อน่ะคือมองเพื่อนมนุษย์นี่มองในแง่ว ได้ไปสู่กระแสของระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์มนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกมีจิตใจที่มองกันเปเดี่ <c oughs> ชื่อไหมเพราะนั้นในสมัยปัจจุบันนี้อันตรายมากสภาพจิตของมนุษย์เริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นเดี่ยวมากขึ้นแล้วอา้าวนี่ก็คือวิถีกระแสสมิผลมากท้งจิตใจสังคมนี้ตัวเองก็มองเพื่อนมนุษย์สัตว์ก็บาดระแวงความรู้สึกได้เีษวัตถุเป็นความสุขแต่ความรู้สึกระแวงเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นความสุขเลยนื่งเป็นคู่แข่งไปปฏิปักษ์อยู่กันด้ความรู้สึกไม่สบายใจเลยทีนี้มุต ตอนนี้เรามองก็จะให้พอตั้งความคิดก็จะให้เราก็มองไปฏิชนใช่ไหมเพราะหลายคนนี่พอเราตั้งใจว่าจะให้เรามองปฏิคนมองปี่คนที่เราสนใจมองหน้ามองตาสังเกตความรู้สึกของเขาเราเริ่มเข้าใจขึ้นมนุษย์เราเห็นความต้องการของเขาเรามองเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาพอเราเห็นความต้องการเขาเสุขเห็นทุกข์ของเขาเราเริ่มเห็นใจขึ้นมนุษย์ความเข้าใจเกิดขึ้นความเห็นใจเกิดขึ้นพอความเห็นใจเกิดขึ้นคุณธรรมเกิดขึ้นเลยความเมตตารักใคร่ความสงสารเกิดขึ้นพอเราเกิดความสงสารเห็นใจเขึ้นมนุษย์แล้วความต้องการชนิดใหม่เกิดมาเองโดยธรรมชา ตอนนี้พอเราตั้งใจจะให้เรามองไปที่คนแล้วเกิดความเ้าใจเห็นใจเกิดความต้องการใหม่คือต้องการช่วยเหลือต้องการให้เขาหายทุกต้องการให้เขาเป็นสุขความต้องการให้มนุษย์เป็นสุขเรียกมันเมตตาเกิดแล้วทำอะไรเกิดความต้องการให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขเมื่อนั้นเมตตาเกิดแลจากการที่ตั้งใจให้ก็นมาสร่งคุณธรรมโดยธรรมชาติคือเมตตามาเลยควางการนั้ต้องสนองเมื่อต้องการให้เขาเป็นสุขก็ต้องการทาให้เขาเป็นสุขการทาให้เขามีความสุขเป็นการสนองความต้องการของเราเองใช่ไหมเราต้องหาทางดีนี่ความต้องการขห้นมาแล้วนี่คนเราไม การทำ้ามีความสุก็สนองความต้องการของเราพอได้สนองความต้องการของเราเราก็เป็นสุขใช่ไการให้รายเป็นความสุขเน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้ตลายเป็นสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเมือนในพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทให้ลูกเป็นสุขก็ให้กับลูกก็ให้กับลูกตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะยันในพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุขเพราะมีแค่ตั้ แต่ก่อนนี่มีความสุขจัดการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจดการให้ด้วยความสุขจัดการได้การเอานั้นที่ความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสดได้นิดเดียวนอกั้นอยู่้ี่ความหวั่นหวาดลงแความดุรุนทุลการที่ต้องหวังรอรอความสุขแต่ที um นี้ความสุขจัดการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอกว้างขวางประณีตยาวนานเพราะ้นี่มันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กับลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ไห้ดัะนั้นความสุขจัการให้ประณีตลึกซึ้งยาว นั่นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะนั้นถ้าดึงให้ฝึกในวิถีรทธศนาดีก่าชนนธรมจะมาเป็นรดับหนึ่งถ้าเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวันมันหนึ่งนั้นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะองมีการให้ด้วยตล้วฝึกใจถูกทางลองให้โดยไม่หวงังผลประโยชนตอบแทนแอ้การที่จะมีเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้การให้กลารเปความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนเองก็แล้วจลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรม ข, ขึ้นในใจแล้วก็สามารถกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์นนกสี่เป็นการ ก็ทางอื่ น, นรือย่างศรัทธามีความเชื่อในอุดมการในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักาศาสนาเชื่อในพัฒนาใจเชื่อในพัฒาานาว่าเทำคำสอนเป็นสิ่งที่ดีทศาสนาเจริญงอกงามไปมนุษย์ะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขรับานาสิ่งดีงามเราก็ยอยากจะบำรุราศาสนาเราให้กัาศาสนาเราให้ก็มีความสุขใช่นั้นด้วยการที่สร้างภายในให้มีคุณธรรมขึ้นมาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้แล้วช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป กายเป็นการเตื่อปูนช่วยเหลืองกันการให้กความสุของเราก็กลายเป็นผลดีกับสังคมไปด้วยตอนนี้ม น, น, นุษย์สุข ด, ด้วยกันแะแต่ตอนนี้สุขแบบแย้งกันความสุขดารได้การเอานั่นเป็นความสุขแบบแย้งกันแ่ชิงฝ่ายหนึ่งสูอีฝัน่องทุถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอถ้าเขาได้เราก็อบเราก็เสียใช่ไหมเพราะนั้นาสุขเราทุกเราสุขเาทุก ก็เป็น่ายเดียวเรเียในทางสังคมทีนี้พอมีความสุขจัดการให้ทนมาเปลี่ยนสุด้วยกันเลยแล้วแถมความสุขของเราขึ้นมาความสุขของเขาจะทให้เขาสูบเรด่สุใช่มอันนี้สด้วยกันก็เป็นความสุขแบบาษาโดนมกินไม่ด้ทิงแล้วทำให้สังคมอยู่ร่มเย็นเอาแล้วทีนี้มันมาช่วยสังคมสอย่างีหนึ่งตัวเองก็ให้แลมีความสุขก็ให้เดือได้2ตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไวอิสรภาพที่ว่าเมื่อี่ไงบอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นแต่ว่าถูกเกินไปใี่ เราเก่งในการหาวัตถุสิงเสริมากมายหามาเยอะแยะตอมาวัตถุเหล่านั้นเ ก, นกินเป็นที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขา่าใช่วัตถุเหล่านั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหาเกินกำเป็นจะ ท, ทาให้ตัามีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กัคนอื่นและยังแถมมาพัฒนาความสุขจการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมไปยิ่ง มีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกล่ัะกันไปได้ดีคือไม่ า, าสุขของคนเดียวก็กายปความสุขของสังคมไปด้วยการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่อขัข้นก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน่ะการพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะในเมื่อเราเป็นนึกว่าเออถ้าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์ือร้อนมันไม่ใช่งั้นหรอกถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่ ทุกอย่างที่พุทธศาสนาสอนน่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนที่ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไรความสุขุทักนั้นคือความสุขที่เกิดจากการดเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แตกแยกในธรรมชาติการแยกแยกในธรรมชาตินั้นอศาสนอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคาคนไทยกเต่าเราพูดหลงสมมติลงสมมติเป็นอย่างไรอา้าววันนี้เร า, าพูดุนิดนึงดเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงธรรมชาติและความถูกจะมีมา แต่เราม่ีเราพูดมากต่มาก็จะพูดใเห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความริงธรรมชาติยกตัวอย่างไม่ใช่สามตัวเนี่ยตัวอย่างที่ก็ถือว่าเราทาอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่เป็นธรรมดาธรรมชาติทาอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วมาทาอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับวามิงธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการกระทำนั้นจริงๆใช่ไหยอ้าวเป็นยังไงล่ะเราทาอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติเหตุนั้นยกตัวอย่างมนุษย์ทางานในสังคมปัจจุบันเวลาน ว่าคนกวาดถนนกวาดถนนมีความต้องการผมที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนนถ้าว่าครูสอนนักเรียนในความรั ก, ร ก, ววกนักเรียนในความรันักเรียนนี่มัใช้ความรักเพยงนะสอนนักเรียนในความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะ่ะสอนเด็กเป็นคนดีมีความสุขนะสอนด้ใจรักนะั่นก็การผลการสอนเป็นเหตุเด็กดีเป็นผลชีวิ ต, วตเขามีความสุขเนผลแพทย์รักษาคนไข้คือทำการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้หายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนีรรยวววาาาาาาดํํนนนนิิชตสสสสสออคคคล้งบปจจุมมมททใ คนปาดถนนจะมีความสุขในการปาดถนนกวาดแป๊กหนึ่งาเพิ่มขึ้นได้เสวยผลทุงความสะอาดได้เสวยผลต้องการจะทำงานของตัวเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทําไม่ตรงตามความไปจริงธรรมชาติคือองไรคนทําสวนไม่ต้องการความเรื่องนอกนามเพราต้นไม้ไม่การเรื่สวนหลักต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทําสวนเป็นเหตุนะในความหมายของเขาคืออะไรการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนะหรือคนปาดถนนการปาดถนนเป็นเหตุการได้เงินสามพันบาทเป็นผลนะครูสอนระเบียนก็การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือนหมื่นบาทเป็นผลในมืองนั่นหรือเป็นแทย์ก็ การรักษาคนไทยเป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนทนั้นตอนนเป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ทนเยก็หลงสมตงสมติเลยสมมติย่งไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่การทำสวนเป็นเหตุได้เงิน5้0 0ันบาทเป็นผล เ, นเป็นกฎแต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็ น, ก ฎ, นกฎมนุษย์กฎมนุษย์กฎมนุษย์นั่นดูได้สมมติท่านจะเรียกว่ากฎสมมติทำไมจึงเรียกว่ากฎสมมติสมตมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันสมมติมัติหรือว่การยอมรับร้งร่วมกันสมมติการยอมรับ คุณทำสวนหนึ่งเดือนคุณได้เงินเดือนบาทการทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลได้จริงนี่การได้เงินเดือนบาทเป็นผลองการทสวนหนึ่งเดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติป่ะไม่มีเพราะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติหมายความว่ามันเป็นจริงด้การยอมรับร่วมกันถ้ายอมรับไปจริงนะยอมรับก็ทำสวนหนึ่งเดือนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือนบาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายฝ่ายทาก็จะฝ่ายให้เงินตกลงกันแล้วก็ยอมรับเนี่้การสมมติการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมม การยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊มนีทําสวนเป็นเหตุเงินเดือนห้านไม่มาใช่ไหมที่ฝ่ายไม่อยอมรับนอาจจะได้เงินเดือนห0 0พันบาทโดยไม่ต้องทำสวนก็นได้ใช่ไมเพะนั้นกฎนี้จริงแต่ถ้าเรียกจริงโดยสมมติโดยสมมติคือการยอมรับ inander, รวมกันะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผลในกระบวนการาของเหตุปัจจัยแท้ๆพาะนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่มีกฎธรรมชาติในการทาสวนถืออะไรการทำสวนเป็นเหตุความเจริญนอก ง, งานของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมและที่เราตั้งกฎสมมตินี้ผลท ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จวางกฎทาไมให้คนมาทำสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนรืเรื่องอะไรใช่่ที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความจริงงมงานของต้นไม้ใช่ไอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้มีเหตุมีผลในตัวและใครปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเรื่องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพบาทเป็นผมนั้นมีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทำสวนเป็นเหตุความจริงงมงานของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นะเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ ทำสวน1่เดือนได้เงินเดือนบาทนี่นะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้แต่รงที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามเพาะนั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยเพะนั้นถ้าเราจะทำสวนรับต้องการเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปั๊บนี่คือเราไม่แปรแยกกับธรรมชาติถ้าเราต้องการเพียงทำสวนแล้วได้เงินเดือน5 0า0บาทไม่เคยนึกถึงต้นไม้เจริญงอกงามแสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม พม้ามไปถึงความจริงธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตปิษล์ลยสังควมวษล์ลถ้าคนทำสวนยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทำสวนด้วยความเต็มใจยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทำเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าคามเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาทำไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขก็ต้อมีความสุขเขาก็ดำเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินี่คือการทำเหตุที่ตรงต่อความผสมาน ถ้าครูสอนนักเรียนด้ใจรันักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขในชีวิตที่ดีา ก, การสอนนั้นจะได้ผลดีมาและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่งเงินเดือนอย่างเดียวครูก็แตกแยกจากาจิงงกธรรมชาติษษษษษมาอยู่ปนสมมตลงสมมติเมื่อ น, นั้นการทางานสังคมในจลายแ ป, ป, ปรเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้จึงท่านบอกให้รู้ทันสมมติรู้ทันนเราก็รู้ความประสงว่าอ๋อให้กฎสมมติทาวงอาที่มาเนี่ย ที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการ น, นี่วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังค ม, งงมรู้เท่าทานันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติโยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วนใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนี่ก็เป็นอันว่าอันนี้จะมาพิมตัวอย่างก็ขอตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของ และแต่ละคนนปัจเจกสีความจะเป็นไม่เท่ากันและแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความเป็นระดับหนึ่งที่พนระดับนั้นนั้นเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นสถานที่ที่เราสัมผัสสัมผัสคือยังไงคือมีความทัานพร้อมมีเท่าไรเนี่ยชีวิตมันจะชินและถือเป็นระดับปกติหมดนี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนเนี่ยจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติ น, นี้คือมนุษย์นยุคที่มีสิ่งบำรุงบรุงปนเปือนพร้อมเนี่ยให้สิ่งปนอนพร้อมนั้นเป็นปกติ ข, ของเขาในขณะนั้นแลวเขาจะไม่รู้ส ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนะเห็นความสะดวกสบายเห็นแต่ความง่ายเนี่ยนะแล้วมีสิ่งบนเติมมากต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุกได้ยากและทุกข์ได้ง่ายอ่ะคนที่ทนพร้อมนราชการบำรุงบรโดยตามใจมากโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุกได้ยากและทุกข์ได hey? right. ้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละเรื่องสัมัทที่ว่าชีวิตคนประสบสภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปรจติของเขาเรื่องนั้นใช่ไหม ขาดนิด Lindsey ขาดหน่อยสิ่งที่มีทังพร้อขาดนิดขาดหน่อยทุกทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกทันทีนัแก่็อยากจะได้สุดวแต่ความเคยถิงอยากได้อยากได้นนนีไม่ได้ตามใจไมได้ไม่ทันทุกทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลบากใช่ไเจออะไรจะต้องทนิดทุกหันไปทางไหจะต้องทำทุกทุกหมดเลยทุกทันทันเลยทีนี้หาล้วหนึ่งลทุกได้ไงสงสุดยากสุดไปยากคือยางไงล่ะมันทั้งพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ไอ้สูตรที่มีั้งพร้อมมนกายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สู พนสู้ชินกับความยากลบากเอาลนะพวกนี้พรานสู้ชินกับความยากลำบากต ว, นะ น, น, ก น, วกกนี้ความยากลาบากเข้ามาความยากลำบากลดลงไปนิดหนึงผ่านพ้นความยากลบากไปนิดหนึ่ ง, ม, งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกเร่ยากสิ่งที่ลบากยากเรียน อ, อยู่ชินชาแล้วต่เพิ่มพมานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่มันเยอะแยะว่าตอนเยอะแยะดยตัวอะไรแค่นั้นไอ้นี้หันไปเจออะไรที่ต้องทำมันก็สู้อยู่แล้วมันก็ทำมันไม่เป็นคนอ่องสำคัญเลยที่จะมาไปทุกใช่ไหมเรื่องธรรมดาเพราะน ส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกอย่างลบากนั้นสูงง่ายะทุดา ย, ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมแ ต, ตามา ย, ยก ต, าายยกตาายัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยคนเขาไม่ค่าตัตายแต่สังคมที่มีความทอสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่บา ง, ง, งบค้ทอยะี่ยอยเขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามน้มันต้องใช้กล้ามเนื้อ เตั้งนิ้วไใชถึงก็ตมนกดปั๊บปั๊บบางทีไม่ตม้อง ก, กดเดินประตูประตู ก, ก็เปิดเลยใช่นี่ก็สบายนี่ไปจะไ ป, ไปทยนาก็เอามือไปลองปั๊บนพราก็ไหลเขาช้ามือออกน้าหยุดไม่ต้องใช้ามนิ้วด้วยเนี่แลอเมริกาที่พพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติค่าตัวตายแสดงออกมาแสนลสอง้าคนนี่ไปสังคมเม็กซิโกมเม็กมมซิโกนั้นยากจนม า, ากนาิวเต็กเลยนะกับประเทศอเมริกาที่ม้าชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทำใน นี่ประเทศที่มัคั่งพอบอก้ ว, ว่าคนในใจสอบระวางอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างือสร้างตัวมาความร่เขนด้วยความอุดหนุนบผลยุค น, น, นั้นไม่ขาดตัวตายแต่ว่ามมีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอในวัยทา ง, งานยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มี เ, า, เาใจใส่คนแก่คนแก่ในะสัมีการถูกทอทิ้ในยนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมมีการค่อยๆมาเป็นทันๆนะแต่ก่อนจะเป็นสังคมทั่วไปเป็นสังคม คนแก่ดูที่ากคนต่าตดตายมากพอมาที่ปัจจุบันนี่เป็นสังคมที่ั่พร้อมพรอมวคนหนุ่มสาว่าติดตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตดตายมาพอญี่ปุ่นพัฒนามาออเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าติดตายก็สูงขึ้นเวลานี้มไทยก็เริ่มฆ่าตดตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกอย่างลำบากนี่ไม่ฆ่าตุดตายก็นกตัวอย่างบ่อยอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนที่มาจากมูลจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอบนุ่งตินมือ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 ว่าวัตถุทั้งพรอมพัฒนาไปเสิคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุคือไปทัางพร้อมบวกหจิตคนนี้ลบหนึ่งลบไปศูนเท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี่พัฒนาเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวกหน่ด้วยนะพัฒนาวัตถุไปให้ทั้นพร้อบวกหน่แล้วก็พัฒนาจิตใจคนให้บวกหนงคือสู้เข้มแข็งงขึ้นพรคนสู้สินยาเข้มแข็งขึง้นเ ข, ข, ข, ขาจะมีความสุขจากวัตถุที่เราสร ก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกในการดำรงอยู่ชีวิตที่ดีงานของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นจากการฝึกจะขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ได้สัญชาตญาณเกิดมาฟัาออกจาท้องแม่ท้องแม่ก็เดินได้กินได้ไว่ายน้ำได้ช่วยตัวเองได้แต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่มเราว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหน ถึง้ยพรในที่ประชุมนี่ จ, จะเอาเท่าไหร่กี่ีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอบ